แนะนำบทอันนัสบทอันนัสเป็นบทมะดะเนียะห์มี 3 องค์การที่กล่าวถึงการพิชิตนครมักกะฮ์ซึ่งทําให้มุสลิมได้รับเกียรติอิสลามได้แพร่หลายไปในคาบสมุทรอาหรับและได้ทําลายล้างการตั้งภาคีและการหลงทางให้หมดสิ้นไปด้วยการพิชิตครั้งนี้มนุษย์ได้พากันเข้ารับนับถือศาสนาของอัลเลาะห์เป็นหมู่ๆธงของอิสลามได้ถูกยกให้สูงขึ้น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 เมื่อชัยชนะของอัลเลาะห์และพิชิตได้มาถึงแล้ววะเราะอัยตันนาซัยดุลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาและเจ้าได้เห็นประชาชนเข้าในศาสนาของอัลเลาะห์เป็นหมู่ๆซับบิฮบิฮัมดิร็อบบิกะวัสตัฆฟิรฮูอินนะฮูกานะตะวาอบาดังนั้นจงแซ่ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระผู้อภิบาลของเจ้า และขออภัยโทษต่อพระองค์เถิดถ้าจริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษเสมอ